ข้อ 3- สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นเป็นอย่างไรหยกนั้นย่อมมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมีหยกเล่นอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาเจรไนเอาความเป็นหยกออกมาจากหิน แกะสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสำหรับห้องเต้และขุนนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความบุญหนักศักดิ์ใหญ่ยามที่ห้องเต้ออกขุนนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินขุนนางเข้าเฝ้าห้องเต้ก็ถือหยกพระราชทานประจำตำแหน่งไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อห้องเต้ ยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่ายกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือมนุษย์นั่นเองคนก็เช่นกันถ้ามีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้เพราะฉะนั้นลูกจงใส่ใจในคนที่รักดี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 จนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วคนดีเลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วย่อมคบกับคนชั่วคนชั่วก็ชอบมั่วสุมกับคนชั่วคนชั่วมักเกลียดชังคนดียิ่งในชนบทบางแห่งที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดี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 นี่เป็นมหากุศลที่ลูกจะต้องทำให้ได้